สีเขาเรียกพันโลกธาตุพอคิดพันโลกธาตุจะเป็นแสนโกดจักรวาลได้ยังไงพออ่านตรงเนี้นะพวกคำนวณไม่ได้ก็โอ้โหพันไม่ใช่แสนโกดจักรวาล น, นี่ยเป็นปัญหาถ้าไปคิดเรื่องตัวเลขมันเป็นปัญหาอย่างนี้ทิศตรงนี้ต้องต้องนับอย่างนี้เขาเรียกว่าติสหสีเนี่ยพันโลกธาตุขนาดใหญ่ไม่ใช่พันโลกธาตุธรรมดาใ น, านบาลียโลกธาตุที่แวดล้อมด้วย หอมล้อมด้วยภูเขาจักรวาลหนึ่งชื่อว่าโลกธาตุหนึ่งใช่ไหมโลกธาตุเห็นปลานเนี่ยคูณด้วยคูณได้พันชื่อว่าสหารสีโลกธาตุขนาดเล็กคูณได้พันก่อนนะอีหนึ่งนี่นะคูณได้พันก่อนนะเขตแดนมันเป็นวิสัยของภาษาวกทั้งหลายมีประมาณนี้มีประมาณนี้ก็หมายความว่าประมาณเท่าไหร่หนึ่งพันนะหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมืน คือพันคูณพันนี้เป็นเท่าไหร่พันคูณพันนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเท่าไหร่ถ้าพันคูณสองนี่เท่าไหร่ฮะถ้าพันคูณสิบอะเ น, นี่ยประมาณนั้น น, นะนะเมื่อแบ่งโรกธาตุเนี่ยนะ โลกธาตุในหนึ่งพันนั้นเป็นโลกธาตุละหนึ่งพันหนึ่งพันคูณพันเป็นทวีสหสีโลกธาตุขนาดกลางโลกธาตุนั้นเน่เป็นสิบแสนโลกธาตุก็แบ่งแต่ละโลกธาตุในสิบแสนโลกธาตุนั้นเป็นธาตุละหนึ่งแสนแล้วคูณด้วยอีกสิบแสนชื่อวติสหสีหนึ่งพันโลกธาตุขนาดใหญ่ฐานะอันแบ่งนั้นมีสิบสองราศี กับอีกหนึ่งฐานะจึงรวมเป็นสิบามฐานนะสิบสามฐานะนั้นชื่อว่าแสนโกดคิดเมื่อไงไม่รู้ฉะนั้นในวันที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจุตติจากดุสิตมาถือปฏิสนธิในคันของพระมารดาในพบสุดท้ายในวันที่ประสูติจากคันของมันมารดาในวันที่ตัสรุปในวันที่ประกาศธรรมจักให้เป็นไปในวันที่ทรงตรงเผชิญมายุสังขารในวันที่เสด็จดับขันธปรินิพานนั้น หนึ่งมืนโลกธาตุก็วันไหวอาณาเขตที่วันไหวนี่แหละชื่อว่าชาติเทตชื่อว่าชาติเข ต, ชาชา ต, เขตใช่ไหมหมื่นโลกธาตุดวันไหวนี่เป็นชาติเขตโลกธาตุประมาณหนึ่งแสนโกดชื่อว่าติสหสีเนี้ยเครียกพันโลกธาตุขนาดใหญ่นี่แหละคือแสนคือหนึ่งแสนโกดนี่นะตถาคตเมื่อทรงหวังฐานะอันประมาณนี้พึงขจัดความมืด แพโอภาษจากพว ร, รากายได้ยินพระสุรเสียงก็หมายความว่าเสียงของพระเจ้าแพแสงสว่างจากพระวรากายฐานะประมาณนี้ชื่อว่าอนาเขตของพระผู้มีภาคเป็นนาเขตนี่เป็นนาเขตนาเขตก็คือแสนกอใช่ไหม ในแสนโกจักวาเนี่ยนะอนุภาพของพระปริตมีอยู่เจ็ดพัพปาริสเนาะอาตานณาียสูตรเมตตาสูต ร, ต ร, ตรทชัคพรปริตโ พ, พชังคัปาริตขันทัพปาริสมรรูระปาริสลัตนาปริตของพระผู้มีพระเจ้าแผ่ไปในที่ประมาณเท่านี้จักรวาลนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่เนี้ยกําหนดประมาณไม่ได้ชื่อว่าวิสัยเขตพระผู้มีภาคเจ้าพึงเสด็จไปยังฐานะประมาณเท่านี้ ธรรมดาว่าประเทศที่ไม่ใช่วิสัยเขตของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีไม่มีเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้ไอ้าเจ้าจำานงหมายประมาณเท่าใดว่าสิ่งใดที่พึงรู้มีเท่าไหรพรยานก็มีเท่านั้นในความที่ประเทศที่ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าไม่มีนะท่านถึงบอกใครๆจะพึงขนมเมล็ดทันธผักกาดทีระเม็ดใส่ในจักรวาลแต่ละจักรวาลในทิศตะวันออก ในให้เต็มเมล็ดพันธุประกาศทั้งหลายในแสนกอดจักรวาลจนถึงพลเมลโลเมล็ดพันธุ์ประกาศเหล่านั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดบุคคลผู้ขนเมล็ดพันธุ์ประกาศมาใส่ไม่พึงพบความสิ้นสุดแห่งจักรวาลทั้งหลายในทิศตวันออกไปเถิะวิ่งไปทิศตวันออกเนี่ยวิ่งไปพวกก็เอาเมล็ดพันธุ์ประกาศย่อนเจอจักรวาลหนึ่งก็ย้อนเจอโลกไปหนึ่งก็ย้อนเนี่ยย้อนดิ้มนทั้งเนี้ยที่มีศาสตร์นะย้อนไปย้อนไปเมล็ดพันธุประกาศทั้งจักรวาลนี้หมดก่อน แต่ยังไม่ยังไม่หมดมนีสังสารวัตนั้นขนาดนั้นสังสารวัตรนขนาดนั้นใครจะค้นถ้าไม่ใช่พทธเจ้าใครจะเห็นทุกข์สัตย์มากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พทธเจ้าใครจะเห็นสังสารวัตที่ยาวไกลขนาดนี้ถ้าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นสังสารวัตต้องอาศัยปัญญาของพระเจ้าเป็นตัวเทียบเทียมเป็นเครื่องเทียบเคียมแล้วจะเห็น ไม่จะสลบใช่ไหมสัตบทั้งหลายที่มืดบอดเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นตั้หาผูกกีดขวางเขาไว้นี่นะฮะตั้หาผูกติดเขาไว้ในเชื่อมติดไว้เนี่ยท่องเที่ยวไปมาอยู่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบใช่ไหมน้ําตาของเธอเลือดของเธอว่าไปเหอะตันเนี้ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรว่าไปะนะ อ, อนามาตักรสยุทธ์ก็เอามามาใส่ได้เลยตัเนี้ยแต่ถ้ากับปัญญาของพระพุทธเจ้านําดูแล้วถึงากเห็นก่อน จึงจะสลดเนาะพึ่งเห็นอยู่ในจักรวาลทั้งหลายทางด้านทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกก็ในนี้เดียวกันอันประเทศที่ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าไม่มีเลยทีนี้เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระอนนก็คิดว่าในโลกนี้ปราศจากความเสมอกันจักรวาลหาที่สุดไม่ได้ ในบรราจักรวลาลเหล่านั้นพระอาทิตย์ขึ้นใที่แห่งหนึ่งในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลากลางวันในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาอาทิตย์ตกในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาปฐมยานในที่แห่งหนึ่งเป็นเวยามัชิมยานเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นปัิมยามเป็นต้นเหล่าเนี้สัตว์ทั้งหลายข้นขวายทาการงานสนใจในการเล่นข้นขวายในการจะนอนข้นขวายในการรับประทานอาหารก็ย่อมจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านและประมาทด้เหตุเ อ, อย่างนั้นพระศาสดาพึงเห็นได้ได้ยินเสียงได้อย่างไรโน่ก็บอกโอ้เนี่ย ก็จักรวาลต้องไม่รู้แสนโกรธจักรวาล น, นี่ยบางโคบั ง, บงจักรวาลกับกลางวานันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันสลับกันบางเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นก็มีโมหะมืดบอดบางคนก็ทําการงานบางคนก็เที่ยวเล่นบางคนก็นอนบางคนก็สนุกสนานบางคนก็ทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่เห็นทกกันจริงไงสังสารวัตรมันก็ปั่นป่วนไว้ถ้านวลเขเยะและ้วพระบรมศ า, ศาสดาเห็นยังไงรู้ยังไง ในตาพานน์นอปาฐะนาเป็นผู้พะเจ้าอยู่านน์นอนไปสงสัยอนี้พานนนสงสัยตรงนี้เป็นเหตุทำไมเรารู้ป้างใช่ไหมก็ปัญญาระดับท่านพานน์นอนเรานี่เทียบไม่ได้ฝุ่นเลยไม่ติดเล็บเลยนะท่านคิดออกขนาดนั้นนะท่านยังสงสัยถ้าผู้พระเจ้าตอบว่านนอนนแตถาคตแผ่แสงสว่างจากศรีละนี่นะพานนนนก็ทูลถามว่าพระผู้วิากแผ่แสงสว่างไปทําอะไร พระเจ้าตอบว่าพระอาทิตย์ปรากฏหน้าที่ใดตถาคตจะทําให้พระอาทิตย์นั้นตกในที่นั้นเอาสิคือแสงสว่างกบอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์เกิดเดวยรนุภาพของพระองค์ในส่วนที่ใดอาทิตย์ไม่ปรากฏตถาคตก็จะทรงให้อาทิตย์นั้นขึ้นแล้วทั้งในเวลากลางวัน ในครั้งนั้นหนะที่ดอาทิตย์ยังไม่ปรากฏมนุษย์ก็จะเกิดความวิตกว่าเมื่อสักครู่พระอาทิตย์ยังปรากฏอยู่แบบนี้พระอาทิตย์นั้นตกไปแล้วเหตุ น, นั้นเป็นการบันดาลของนาคหรือเป็นของบันดาลของพูผ้ผีการบันดาลของยักษ์หรือการของเทวดาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยแผ่ประนไหนแสงสว่างก็เกิดขึ้นนะทีนี้ครั้งนั้นพระตถาคตทรงประกาศให้ได้ยินเสียงการแสดงธรรมก็บุคคลใดกระทำภูเขาจาักรัน ลูกหนึ่งให้เป็นกองกระทำพื้นแผ่นดินให้เป็นหนังกองกระทำภูเขาซิเนรุให้เป็นไม้ตีกองยืนตีบนยอดเขาซีเนรุลูกอื่นบุคคลนั้นพึงได้ยินเสียงนั้นในจั ก, กรวาลหนึ่งเท่านั้นลองคิดดูทีทำไงนะอุปมาตรงนี้นะก็คือว่าบุคคลใดเอาภูเขาจั ก, กรวาล น, นี่นะลูกหนึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นกองเลยเอาพื้นแผ่นดินใหญ่เป็นหนังเป็นหนังกองนะเป็นหน้ากองนี่นะ เอาเขาสิเนรุให้เป็นไม้ตีกองใหญ่ขนาดนั้นนะและเยืนอยู่ภูเขาสิเนรุอีกจักรวาลหนึ่งตีดังได้แค่จักรวาลเดียวเสียงกองเนะี่ยดังสุดๆแล้วนะได้จักรวาลเดียวเท่านั้นออ่ะไปคุยกับกไปคุยทีนี้ไปไปคุยกัน ทีนี้ตถาคตเป็นทีนี้ถ้าบอกบอกว่าตถาคตทรงประกาศให้ดินเสียงแสดงธรรมก็บุคคลดังที่ได้กล่าวแล้วยนะไม่สามารถได้ยินเสียงเลยแม้จะเพียงคืบหนึ่งเป็นต้นได้ได้เพียงจักรวาลหนึ่งเท่านั้นความดังนี่นะท่านคำนวณบอกว่าถ้าความดังของกองที่ใหญ่ขนาดนั้นไม้ตีกองที่ใหญ่ขนาดนั้นคนที่มีพลังกาลังตีขนาดนั้นได้หนึ่งจักรวาลเนาะและจะเลยจากจักรวาล น, นั้นไปสักคืบหนึ่งก็เลยไม่ละ เลยไม่ได้ส่วนตถาคตนั่งบรลังเดียวพึงให้ติสหศีพันโลกธาตุคือแสนโจรกวาลนี่นะขนาดใหญ่ได้ยินเสียงหรือจะให้ได้ยินยิ่งไปกว่านั้นก็ได้นี่คือแสดงสามสถานะประมาณนี้เป็นวิสัยเขตของพระพุทธเจ้ามีอนุภาพก็เพราะเราได้ให้การบรรลือของพุทธเจ้านั่นแหละพระนนทก็เกิดปิติพระพุทธเจ้าเกิดพูดอย่างนี้นะท่านบรร น, นกเกิดปีติ บอกโอ้โหทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมท่านพานนทนก็เกิดทั้งขุทกาปิติคณิกาปิติเพงกาปิติพัฒนาปิติอกันติกาปิติเกิดครบเลยพิติเกิดพิติเกิ ด, ก ด, กดนี่อนุภาพของพรธเจ้าอัปมาโนพุโทโธอัปมาโนธรโมอัปมาโนสังโเห็นเห็นคุณของพระรัตนตรยัยหาประมาณไม่ได้ ก็พอได้ฟังการบรรลือของพระพุทธเจ้าท่านเกิดปีติภายในพท่านนเถระนั้นเปล่งอุทานด้วยกําลังปีติว่าเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ได้ถือบาดจีวรของพระาศาสดาผู้เห็นป่านี้เที่ยวไปที่ได้กระท h a บีบนวดพระบา ท, ที่ได้ถวายน้ําล้างพระพัก น้ำสงที่ได้ปัดกวาดบริเวณประคันตะกูดีที่ได้ทูลถามปัญหาในข้อสงสัยที่เกิดขึ้นที่ได้ฟังธรรมมีระทาอันไพเราะแม้ทั้งหมดเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้พระเถรลัเกิดความเลื่อมใสในเทศนาของพระบรมศาสดาอย่างยิ่งนครั้งนั้นถามว่าแ ล, วแล้วเราเป็นลาภของเราตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้พิจารณาด้วยที่เราได้ถือบาตรของพระเจ้าไหม ได้บีบนวดพระบาทไหมได้ถวายน้ําล้างพระบาทได้ถวายน้ําสงได้ปัดกวาดบริเวณพระคันณะกุดีบ้างไหมเนี่ยได้เช็ดได้ปัดแดงต่างไปกราบทูลพระธาตุไปบูชาท่านใช่ไหมไปถวายชีวิตกับท่านจริงจรงจังๆเนี่ยเนี่ยได้ทูลถามปัญหาข้อสงสัยแล้วก็ได้บ้างเนาะตรงนี้นะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้ฟังธรรมมีคาถาอันไพเราะนะแต่ไม่ได้เกิดจากพระโอษฐขอท่านใช่ไหม แต่ว่าเป็นพระธรรมนั่นแหละแต่ใจเรามันไม่ถึงไง อ, อืผ่านตัวหนังสือแต่พระธรรมเนี่ยเกิดจากพระโอษนั่นแหละแต่ไม่กว่าจะถึงเราเดินนะใช้เวลาสองพันกาวเพียะเมื่อเราสัตว์บุญน้อยอ่ะสัตว์บุญน้อยได้แค่นี้แต่ที่ก็ราบอันประเสริฐราบปัญหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมเป็นโชคของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์มีพระศ า, าสดาผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ พระเถรละก็เกิดความเรื่องใสตรงนี้ถ้าดูรายละเอียดก็ต้องไปดูในอังคุตระนกิการจิกานิบาศเนี่ยไปดูในอังคุตระนกิการจิกานิบาตเนี่ยนั่นแหละไปดูตรงนั้นก็จะได้ที่ท่านแสดงพอใสว่าพระผู้เมียภาคนคั้นอาศัยกรุงสาวถีประทัพทิเชตวันพระองค์ก็แสดงอะไรแสดงอรุณะอวดีวดีสูตร อันนี้ก็ในสังยุตตานิการนิทานวักนั่นแหละยวไม่ใช่นิทานวักสตราสัคาทวักในสูตรนะที่แสดงบอกว่าอับพุกคตายสะคุณาอานันตาเป็นต้นนั่นเนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายหาที่สุดมิได้ทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งดวงในพุทธเขตทั้งสามก็คือในชาติเขตในอนณาเขตในวิสัยเขต เป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างให้ตับพุทธเขตทั้งสามนี่นแหละใครอยู่ในชมพูทวีปก็ได้แสงสว่างมากใช่ไหมแค่ในในเรื่องนี้เนยก็เปลี่ยนสมุนจิตกรที่ประสงค์จะเขียนภาพจิตกรรมที่ทำให้พื้นให้ ส, สะอาดแล้วก็เขียนภาพจิตกรรมในภายหลังชั้นใดนะ กรณีที่เราศึกษาพระธรรมคําสอนทั้งหลายเนี่ยอันนี้ท่านประกาศอะไรเนี่ยท่านภาลนาอาสาธานัญญาณของพุทธเจ้าจึงแสดงวิสัยอันเป็นเขตเป็นที่ตั้งความเป็นไปของปัญญาเป็นต้นเหล่านั้นตรงนี้เราศึกษาตรงนี้ก็จะได้เห็นคําว่าพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีเป็นโลกวิทูจริงๆเลนะเป็นโลกวิทูจริงๆรู้แจงโลกใช่ไหมทีนี้ก็ไปตามดูในโลกวิทูนะ ที่ท่านบอกว่าไม่ว่าเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและยังไม่ถึงที่สุดแห่งการของโลกย่อไม่มีการเปลี่องตนจากทุกข์เพราะเหตุนั้นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพมจันทร์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกที่สุดแหงโลกคือรู้พระนิพพานนะย่อมไม่หวังทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถามว่าคนที่รู้ที่สุดแห่งโลกเขาจะหวังโลกนี้ไหมเขาจะหวังโลกหน้าไหมเขาจะหวังอยู่ในสังสารวัฏอีกไหม เขาไม่ไปแล้วเนเขาหักกำแห่งสังสารแล้วจักเรียบร้อยหมดแล้วเผาแตกใช่ไหมเผาหักดุมแตกโกงซี่โกงก็พังใช่ไไอซี่กรมก็พังกงก็หลุดหลุดหมดแล้วแล้วมันจะเดินยังไงขันท่าระยะชนะใช่ไหมเมื่อไม่มีเผานีไ่ไปยังไงไปในภพสามไม่ได้แล้วการภพรูปไภพไปรูปภพเผามันหักแล้ว ไอ้ตัวดุมมันแตกมันเยอะซี่กรรมเนี่ยกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นเลนช้ามันจะตั้งตรงไหนมันแตกแล้วอาวิชาและตัณหามันพังไปหมดแล้วใช่ไหมกรรมมันก็พังประกรรมมันพังไปเสร็จวิบากชรามรณะขันรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณหมดกระจายเอยแต่ว่ามันไม่มีเหลือเลยตอนเนี้ยแล้วมันจะกลิ้งไปในภพสามได้ยังไงขันท่าไดยัตนะมันก็แตกสลายหมดเลยนี่วัตะขาดเลยวตตะขาดเลย เห็นไหมมันขาดอย่างนี้นี่เราเห็นทางแล้วเราเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจไม่เห็นนั่นก็จะเดินยังไงเห็นทางเดินแล้วดวงจันทร์และดวงอีกดกันหนึ่งนะท่านแสดงโลกสามเขาไว้ สังขารและโลกสัตว์โลกโอกาสโลกในบรราโลกทั้งสามพึงทราบสังขารโลกในอนาคตสถานว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นต้นเดือบไปขยายต่อพึงทราบอีกอย่างหนึ่งโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงอะอากาศโลกก็ต้องตั้งทราบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมด้วยโลกทั้งทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอํานาจของท่านย่อมเป็นไปใน พันจักรวาลเท่านั้นจักรวาลในที่นั้นก็ดังที่ได้กล่าวพันนะเป็ น, เ, ปนเขาเรียกเป็นมหาเป็นเป็นเป็นใหญะพระพุทธเจ้าเนะ่ยรู้โลกทั้งสามโดยประการทั้งปวงพระผู้มีพระเจ้านั้นทรงรู้สังขารโลกโด้วยประการทั้งปวงก็ได้แก่อะไรโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้โดยอาหารโลกสองน้มและรูปโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกก็คือ อายตนะภายในหกโลกเจ็ดก็คือวิญญาณทิตฐิเจ็ดโลกแปดก็คือโลกกระทำปดโลกเก้าก็คือสัตวะเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสองก็คืออายตนะสิบสองโลกสิบปดก็คือท่าสิบแปดเป็นต้นอันหนึ่งพระบรมศาสศดาในทรงทราบอาศัยอนุสัยจริตอธิมุตของสรรพสัตว์ทรงทราบสัตทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสูน้อยมีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสูงมาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการเลวผู้เข้าใจได้ง่ายผู้เข้าใจได้ยากผู้ควรผู้ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงรู้สัตว์โลกโดยประการลทั้งปวงเหมือนอย่างว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงรู้โลกได้ชั้นใดก็ทรงรู้แม้ตลอดโอกาสสโลกได้ชั้นนั้นถ้ารู้สังขารละโลกก็รู้โอกาสสโลกจริงอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้คือทราบ แต่แก่ทรงรู้แจ้งแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ได้กล่าวใช่ไหมเพราะพุทธญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดน่ยตลอดอนันตจั ก, กรวาลเนี่ยนะคือจั ก, กรวาลหนึ่งทั้งด้านยาวทั้งด้านขวางเป็นตัวเหล่านี้ยมีประมาณเท่าไรองค์รู้เบ็ยเศหมดเลยคํานวณได้เบียเจแต่การคํานวณที่อาจรย์อาจารย์ท่านมาจัดเป็นโยอนั้นมันต่างจากโยอที่เราเข้าใจกันถ้าเขียนเข้าไปทันทีนี่มนุษย์ในปัจจุบันนี้ไม่เห็นคุณเลยรับลูคุณนันดีเลยเนีย่นี่ไม่เข้าใจ ไอ้คำ ว, ว่าสังกะยาคือการประมาณเนี่ยท่านใช้ควาว่ายอใช่ไหตั้งอยู่บนที่บอกว่าในความหนามีประมาณที่สองแสนสี่หมื่นยอดเป็นต้นที่รองรับพื้นแผ่นดินนั่นแหละตั้งอยู่บนลมโดยความหนา 4ี่0มื่นแปดพันยดเป็นต้นลมที่อุ้มทานน้ำอยู่พัดขึ้นไปบนท้องฟ้าโลกก็ตั้งอยู่ก็จักรวาลที่ตั้งอยู่แล้วอย่างนี้มีภูเขาสนรูเด่นกว่าภูเขาอื่นทอดลทอดลงในมหาสมุทรอีกแปดหมื่นสี่พันยดเป็นต้นเหล่า น, นี้นะการพารนาในลักษณะนี้ท่านต้องการพารนาเห็นความวิจิตพิสดารของทุกขสัจจ์ของทุกขสัจจ์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าโลกวิทู สัพพถาวิทิตโลกัตตาโรกัวิทูเขาแปลว่าพระพุทธเจ้ามีพระ น, นามบอกว่าโลกพ่อทรงรู้แจ้งโลกโดยประกาศอะไรทั้งปวงทีนี้ก็มาดูในชั้นของดีกาโดยทั่วๆไปเนี่ยเพราะท่านรู้ยังไงไม่ว่าจะในสมันต์ภาษาธิกาและในคัมภีรสารัตถีปณีดีกาเป็นต้นเนี่เนาะหรือในคัมภีร์ของในด้านของวิสุทธิมัติทั้งอรรถกถาและดีกาปรมัตถ์ชันทัศนามหาดีกาเนี่ยนะ ท่านบอกว่าสัพพัทธาเนี่ยโลกุทูเนี่ยพราะรู้แจ้งโลกใช่ไหมสัพพัทธาก็แปลว่าโดยประการทั้งปวงท่านอธิบายบอกว่าพึงทราบโดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นท่านอาจารย์ท่านประสงค์โดยสภาวะเนะคําว่าโดยสภาวะโดยสภาวะที่เป็นทุกขสัตว์ที่รู้โลกอะไม่ว่าจะรู้สังขารละโลกนะสัตวโลกโอกาสโลกเนี่ยรู้เห็นโลกทั้งหมดก็พระองค์รอบรู้คือทำปริ ญ, ญญาหมดเลย ด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์ในกลุ่มของเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านรู้ตั้งแต่นามธรรมใช่ไหมรูปธรรมคือรู้ขันห้ารู้อายตนะรู้ธาตุที่สืบต่อติดต่อกันโดยไม่ขาดสายที่เรียกว่าสังสารวัฏแล้วและไม่ใช่รู้แค่โลกยังรู้เหตุเกิดของโลกยังรู้ความดับของโลกยังรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของโลกไอ้ตรงเนี้ยทุกชนิดทะลุทะลวงหมดเนี่ยนะอันนี้คําว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลก โลกตั้งขึ้นที่บอกว่าโลกโดยทั้งหมดสภาวะเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่ตรัสว่าว่าด้ย่อดอุปาทานกันห้าเป็นทุกข์เห็นไหมท่านกําหนดลงย่อดลงมาโดยย่อดเนี่ยอุปาทานกันห้าเป็นทุกข์โดยสมุทัยก็โลกนั้นตั้งขึ้นด้วยเหตุใดด้วยเหตุนั้นคือด้วยเหตุมีตัณหาเป็นต้นท่านก็รู้ท่านก็ละได้แล้วด้วยโดยนิโรธก็คือโลกนั้นดับไปด้วยธรรมใดธรรมเหล่านั้นเป็นวิสังขารเป็นนิพพานเว็นุปาทานเป็น ran, ป น, าา น, ป น, นิพพานพองค์รู้ไหมรู้ โดยอุบายนั่นคือข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรดนิโรดนั้นบุคคลพึงถึงด้วยวิธีใดโดยวิธีนั้นคืออริยมรรคในพระองค์ก็ทราบเพราะประการอื่นจากอริยมรรคมีไหมนะที่เราจะรู้โลกกับนิโรดนี่ยไม่มีเลยที่ได้ทรงรูดรรงง้ด้วยประการทั้งปวงด้วยประการชนนี้เมื่อจะทรงแสดงพระสูตรอันเป็นเนื้อหาที่ให้สําเร็จจึงกล่าวถึงพระสูตรที่วักดูก่รวิกสูตอุโสในที่นั้นแลไปต้นเะนี่ยในพระสูตรนั้นเทวบุตรชื่อว oh ่าโลหิตะ ท่านยกเลยที่ยกมาเนี่ยที่ขยายไปแล้วเนี่ยหมายเอาการไปสู่โอกาสโลกเทพบุตรนั้นนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญในที่สุดแห่งโลกใดแลสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญที่สุดแห่งโลกอนนั้นบุคคลอาจจะรู้หรือเห็นหรือได้หรือถึงได้หรือโดยด้ยโดยการไปหรือพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัฐฐสภาษิตไว้ ในบรรดาคำเหล่านั้นนะพระองค์ปฏิเสธการเกิดเป็นต้นอย่างตรงๆได้คำว่าไม่เกิดเป็นต้นแล้วปฏิเสธความเคลื่อนและความอุบัติไปๆมามาด้วยบททั้งสองว่าไม่เคลื่อนไม่อุบัติตรงนี้เขาก็มาวิจารณ์บอกว่าพระองค์ตัดไว้เกี่ยวกับคัาพระเสยยกะกำเนิดสังเสรฐชะโอปปาติกะชลาพุชาเป็นต้นคาต่อ น, นี้ตัดไว้โดยอุป ป, ปาติกะคือการอุบัติเกิด ัสถานที่นั้นที่ได้แก่สถานที่เว้นจากการเกิดเป็นต้นด้วยการไปหรือด้วยด้วยการไปด้วยด้วยเท้าที่สุดของโลกได้แก่อะไรได้แก่นิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ดับของสังขารและโลกเนาะส่วนคำว่ายาเตยังเนี่ยพึงรู้ทิศเถยยางก็พึงเห็นปัดเตยยังก็แปลพึงถึงยาตายัางทิศทายังปัดตายยางเนี่ยท่านตัดเป็นยาตายยางทิฐาอายางปัดตายยางเป็นต้นเนี่ย น, นะ เราได้กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการการไปในนิพานนี้รู้ที่สุดแห่งโลกด้วยการไปนี้ที่สุดแห่งโลกเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยนิพานนี้เป็นที่สุดแห่งโลกเข้าใจคํานี้ไหมคือพระพุทธเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยการต้องการด้วยนิพานเนี้ยคนที่ต้องการด้วยนิพานเนี่ยด้วการรู้ที่สุดแห่งโลก ด้วยการไปที่สุดถึงโลกนั้นเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการด้วยนิพานนี้เห็นที่สุดแหึงโลกด้วยการไปนี้สุดถึงโลกเราได้กล่าวว่าบุคคลผู้มีความต้องการพระนิพานนี้ถึงที่สุดถึงโลกด้วยการไม่ด้วยการไปนี้สุดถึงโลกเท้นอะไรยังเนี่ยท่านก็ยกนิพานติโกเขาบอกไงทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจะแสดงว่าใครๆไม่อาจเพื่อจะได้ด้วยการไปด้วยเท้าเพื่อรู้เห็นหรือที่สุดแหึงโลกได้จริงอยู่ถึงขนั้นเราจักบัญญัต แห่งที่สุดทั้งโลกไว้ในที่นั้นไว้ประมาณจึงได้ตัดคํำอทิษฐานที่ได้กลัดไว้ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงที่สุดของโลกได้พระองค์ก็เลยตัดที่สุดของโลกกล่าวคือพระนิพานถ้าจะไปท่องเที่ยวเนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมพระองค์บอกว่าถ้าต้องการรู้ที่สุดของโลกนิพานไงนิพานเป็นที่สุดของโลกท่องเที่ยวไปมาเสียเวลามันไม่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ แต่ที่สุดของโลกมีอยู่คือพระ น, นิพพานหนทางที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งโลกมีอยู่ข้อปฏิบัติมีอยู่ใช่ไหมวิธีวิจัยโลกหเห็นโทษของโลกเห็นโทษของสังสารวัฏมีอยู่ใช่ไหมรู้สังสารวัฏเพื่ออะไรเพื่อเบื่อหนายวัตถุนี่เป้าหมายหลักคุณไม่ใช่มาเรียนสังสารวัฏกันแล้วเพื่อไปเพลิดเพลินผิดเป้าหมายผิดพุทธประสงค์การเกิดมาการไปเห็นสังสารวัฏนะี่ต้องเห็นแล้วต้องไหนาย พุทธยจ้าจะใช้คำว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะใครกําหนัดเพียงพอแล้วที่จะละใช่ไหมที่จะปล่อยที่จะวางได้แล้วขันธภาระคนวางโลกภายนอกกว้างใหญ่โลกภายในก็ลึกซึ้งใช่ไหมถามว่าเรามันโมหะปิดทั้งหมดเลยอะโลกภายในก็ไม่เห็นโลกภายนอกก็ไม่เห็นก็จะดูสังสารวัตรภายในหรือภายนอกสังสารวัตรภายในก็เดินอยู่สังสารวัตรภายนอกก็เดินอยู่ ใช่ไหมไม่เห็นหมดเลยก็เลยต้องเขียนสังสารแล้วะผู้เขียนต้องเห็นเห็นไหมต้องเห็นต้องเข้าใจเนาะต้องเห็นต้องเข้าใจคือเขียนแล้วทุกขศาสตริย์เกิดตลอดเวลาเลยอะ่ะเห็นทุกขศาสตร์เบือ่อนายมากในขณะที่เขียนในขณะที่เชื่อมต่อใช่ไหมบางคราวเห็นขนาดทุกข์มากทุกจนรู้สึกโอ้โหเนี่ยหน้าเบือ่อนายได้แท้ การอยู่ในสังสารวัตรใช่ไหมการหมุนไปของสังสารวัตนี่น่าเบื่อมากคนศึกษาก็จะได้อัคคีาศัยจากการตัดต่อจากการเขียนจากการพูดนั่นแหละเพราะท่านบูรนั้นเบื่อจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื่อจริงๆพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อจริงๆพระธรรมที่ตรัสออกมาตรัสไม่ได้วยความเบื่อห น, น่ายเพื่อสัตย์คลายกาหนัดจริงๆอ่านแล้วคายกำหนัดแล้วเบื่อได้ยิงใช่ไหม พรทุกอัทุวิญญานะที่นั่นมานั้นออกมาโดยสรรพยุติยานออกมาด้วยความเห็นความจริงของสรรพสิ่งจริงๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายท่านละคายสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยท่านทําปริญญารอบในสิ่งเหล่านั้นด้วยท่านเห็นโทษเห็นทุกข์ท่านจะชี้ไปในสังสารวัฏพระเจ้าสมัยใดมาตรัสสาวกของพระเจ้าแม้จะมาในนาคตท่านจะมองว่าเนี่ยสามั ญ, ญลักษณะไม่เทียมเป็นทุกเป็นหน้าตาอย่างนีน้เพียงพอแล้วเธอจะต้องเบื่อนะักไม่เห็นเอาสัตว์บุคคลมาเก่าว้าัตรว์ที่จะพอรู้ ใช่ไหมเกี่ยวกับใเรื่องของปลุกกระลบัญญตัติพวกองค์แสดงปลุกกระลบัญญตัติถ้าแสดงเกี่ยวในเรื่องของปรมัตเทศนาพระองค์แสดงปรมัตเทศนาเนี่ยไหมพวกเาจะแทงตลอดได้ตรงไหนนะพระองค์ก็เป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นนั่นคือพระเจ้าทํายังไงก็ได้กระชากจิตของสัตว์นั้นหลุดออกจากวัฏฏุกรรมไม่ได้เพราะวัฏฏุกรรมเป็นสิ่งหรือสังให้หลุดจากสังสารวัฏให้ได้เพราะสังสารวัฏนั้นน่าเบื่อจริงๆท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ย แล้วเราก็ไม่เห็นโทษเพราะเราไม่เคยทำบาริญญาในสังสารวัตรใช่ไหมทีนี้ในกะเลวะละเนี่ยประมาณวานหนึ่งเน่ยได้แก่อัตภาพมีวานหนึ่งเป็นประมาณด้วยคํานี้พระพุทธเจ้าแสดงถึงอะไรแสดงถึงรูปประคันแสดงถึงรูปยี่แปดกะเลวะละวานหนึ่งเนี่ยวาของใครขอมานนี่นะใช่ไหมเคยเห็นกบไหยเวลามันมันมั น, ม, น, ม, นมันก็เท่าวางมานะันน่ะกบเขียนแรงต่างมันเนี่ยนะวาใครวาวมานะัน แลาทำไมบอกประมาณวานอย่งเงี้เพราะวานึิงพอดีอะใช่ไหมแล้วบอกเอา้าแล้วลิงอ่ะแขนมันยาวอเอากระวาของมันไงก็กรเลวะมันก็คือแขนมันด้วยก็ใจใช่ไหมประมาณวานหนึ่งของใครของมันนั่นแหละนี่กรเลวละคือรูปธรรมเนี่ยท่านใช้สอบดีเนะี่ยนี่แหละรูปธรรมนี่แหละเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเนี่ยไม่ได้มามองโยมโยมมองกันมา